ล่าสุดย้อนกลับไปในคำถามที่ยังไม่ได้ตอบธรรมะหลังฉันเช้าในเช้าวันนี้สภาพอากาศฝนตกผู้เทศก็เพิ่งจะ ฟื้นจากไข้ใหม่ๆแต่ก็ต้องมาตอบคำถามเพราะกลัวจะล่วงเลยคำถามไปจนลืมว่าที่ถามมามีอะไรบ้างที่จะต้องตอบหากไม่ตอบก็จะเสียประโยชน์ในผู้ที่ถามคำถามเข้ามาที่จะไม่ได้รับคำตอบ อากาศค่อนข้างเย็นมาหลายวันฝนตกไม่แน่ใจว่าสัญญาณจะดีหรือเปล่าช่วงหลังๆสัญญาณไม่ค่อยจะดีพึพ่บๆอยู่หน้าจอก็เป็นแปลกๆอยู่น่าจะเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปวนโยมชัยเดชอินแทนได้ถามมาว่าอยากให้อาจารย์เทศการหลุดพ้นครับแล้วก็ทําอย่างไรจึงจะเบื่อรูปถามมาสองคำถาม มันมาอะไรหมาตัวนั้นยุงที่นี่ก็เริ่มเยอะฝนตกเริ่งมเยอะเรื่องการหลุดพ้นเราต้องทราบว่าการหลุดพ้นนั้นพ้นจากอะไรและพ้นอย่างไรหมายถึงว่าสิ่งที่เราจะต้องพ้นพ้นไปนอยู่ที่ไหนเราก็จะสามารถ ทำให้พ้นได้และทาให้พ้นพ้นอย่างไรเราก็จะรู้ว่าความพ้นนั้นทาอะไรให้พ้นและพ้นไปอย่างไรนั่นหมายถึงสิ่งที่เราจะต้องทาความเข้าใจและก็ทการเรียนรู้คาเทศเทศบอกสอนเพื่อให้รู้ตำแหน่งและอะไรเหตุแห่งการเกิดของทุกตำแหน่งที่เกิดขึ้นของทุก มันเกิดขึ้นที่ตำแหน่งไหนตามหลักคําสอนก็กล่าวไว้อยู่สองตำแหน่งคือกายกับจิตเป็นที่เกิดและมูลเหตุแห่งการเกิดนะก็กล่าวสอนไว้ว่าความอยากตามแบบนะตามตำหลักตำ า, าตามคําเทศคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้คือมันเป็นอย่างนั้นความความอยา ก, ยากเป็นทุกอย่างละจิตตำแหน่งกาย มีอยู่ทั่วอวัยวะในร่างกายเราตําแหน่งกายไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ในเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายความพัดผาดความไม่ได้ดังใจหมายความพิรีผีลายลำพันธ์ต่างๆนานาเหล่านี้ตำแหน่งกายกับตาแหน่งจิต 2-2 ตําแหน่งนี้ส่วนตัวจิตก็สามารถเกิดทุกข์ได้หากไม่เข้าใจกายตามความเป็นจริง ก็คือยึดในตัวกายการที่พงษ์ทรงชี้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นอยู่ที่2ที่คือกายกับจิตนี้จะทําให้เราได้ทราบว่าเราจะต้องทําตัวเราให้พ้นไปจากกายกับจิตหมายถึงว่าจะต้องไม่มีกายไม่มีจิตถึงจะพ้นเป็นความหลุดพ้นได้แต่ทีนี้ในขณะที่กายก็ยังมีอยู่และจิตก็ยังมีอยู่ก็คือการดับตัณหา ตันหาเป็นเครื่องนำมาซึ่งความทุกข์ตันหาที่พระองค์ทรงตรัสเป็นเครื่องสอนให้เราละหรือว่าทำการดับและไม่เจริญมันขึ้นเป็นสิ่งที่ยากเย็นมากในห้วยจิตหัวใจของคนเพราะตันหามันครอบคุมไปในเรื่องทุกๆเรื่องครอบคุมไป ในทุกสิ่งที่เราคิดเราทำเราพูดเราดำเนินชีวิตและเราใช้ชีวิตในความเปลี่ยนไปตันหาแทรกอยู่เมื่อตันหามันแทรกอยู่การที่จะทำตันหาให้มันละมันคลายมันดับไปนั้นเป็นเรื่องยากเราไม่เข้าใจตรงที่ว่าเมื่อเราฝืนอำนาจแห่งตันหาแล้วขณะที่ฝืนนั้นมันมีความทุกข์อยู่การที่เรามีความทุกข์เพราะการฝืนตันหานั้นมันทาให้เราไม่ได้รับความสุข การที่เราไม่ได้รับความสุขเราก็เลยเหมือนกับว่าต้องทําตามตัณหาที่ตัณหามันเกิดขึ้นในใจพอเมื่อทําตามตัณหาแล้วตัณหาเกิดขึ้นในใจตัณหาก็คล้ายๆกับว่าเมื่อมันสมอยากมันก็ไม่มีความทุกข์อะไรแต่ขณะที่มันอยากมันจะดิ้นรนและเป็นความทุกข์แต่ยังไม่ได้ทุกข์มากแต่ถ้าไปฟื้นมันหรือไปขัดมันน่ยมันจะทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนบีบคั้นใจเราจนทําให้เราทรมานใจ เราฝืนแก้อำนาจแห่งความอยากของตนเองในข้อนี้บุคคลที่ยังไม่สามารถฝืนต่ออำนาจของตันหาได้นั้นจะต้องอาศัยศีลเป็นเครื่องควบคุมคือมีตันหายังไงก็ตามนะอย่าให้ละเมิดศีลคือใช้ความอยากไปให้เต็มที่แต่อย่าให้มันเป็นล่วงละเมิดในเรื่องของศีลใช้ศีลเข้ามาควบคุมทุกอันจากการละเมิดศีล ที่สืบเนื่องมาจากความอยากในใจก็จะไม่เกิดหมายถึงว่าเรามีความอยากอยู่และเราไม่ใช้ความอยากเป็นไปในการละเมิดศีลทุกที่เกิดจากการทำตามปวามัมันยังแสดงขึ้นอยู่ในใจแม้เราจะมีศีลเป็นที่ควบคุมอยู่ก็จริงแต่อาการที่เป็นความทุกข์ที่ไม่เป็นไปเพื่อความละเมิดศีล น, นั้นมันยังมีแต่อย่างน้อยเราไม่ไม่ไปละเมิด แต่มันก็ยังมีมันก็ยังทําให้เราทุกข์อยู่จะทําอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ามีสมาธิให้ใช้สมาธิดึงสมาธิเข้ามาใช้ทําอย่างไรถึงจะให้มีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมคำว่าตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมหมายถึงว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นกุศลธรรมระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์อยู่ในใจอยู่เสมอ ระ ล, ลึกถึงศีลของตนว่าเราได้บาําเพ็ญศีลหลุดพ้นอย่างคงที่มีใจคงที่ที่มุ่งต่อไปพระนิพพานนะระลึกถึงอย่างนั้นผู้มีใจคงที่ระลึกไว้ในใจจิตเราก็จะไม่โอนเอ็นไปตามอารมณ์ความอยากที่เกิดขึ้นมาแทรกก็จะไม่สามารถกระตุ้นใจหรือบีบคั้นใจหรือทําให้ใจเล่าร้อนที่จะให้ไปตอบสนองกับอารมณ์เหล่านั้นสุดท้าย ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่จะทําให้เราวิ่งไปตามอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในจิตโดยที่เรารักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่มันก็จะไม่เกิดขึ้นนะไม่เกิดขึ้นเมื่อมันไม่เกิดขึ้นเราก็จะทราบว่าความทุกข์เหล่านั้นหากเราไม่เป็นไปตามอาการของอารมณ์ผ่านเข้ามาทางใจแล้ว ความอยากที่แทรกเข้ามาเพื่อให้เราได้รับการตอบสนองซึ่งเป็นความเคยชินและความต้องการที่มีมาแต่ในแต่ลัยแล้วเขาเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ปลูกฝังมาจากนินสัยและสันดานคันธะสันดานแต่ปางก่อนที่เราเพิอเพลินในรูปเสียงกิตลดต่างๆอาศัยการฝึกระลึกถึงผู้ทีเจ้าพระพุทธองค์ผูกจิตไว้กับพระพุทธเจ้าพระธพุทธองค์ไว้ในใจอยู่เสมอแน่นอนว่าใจเราจะถูกดึงไปสู่กุศลธรรมและกุศลธรรมในการระลึกถึงผู้ทีเจ้าพระพุทธองค์นั้น จะทําให้จิตตั้งมัน่นหรือใครจะระลึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธหรือจะระลึกว่าธรรมโมธรมโมธรมโมหรือว่าสังโฆสังโฆสังโฆหรือจะพุทโธธรมโมสังโฆหรือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันเบื่อหนุของข้าพเจ้าหรือจะระลึกไปในกายแล้วว่ากายยะาตาสตินะระลึกไปในเส้นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามห้อยใจตับพังผืดไตปอดเสียใหญ่ที่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ า, า, าพิ่นาร่างกายอย่างนี้อ ย, นอยู่สมบูรเสมอจะทําให้จิตตั้งมัน่นไม่คล้อยตามอารมณ์ แต่แม้จะเป็นความทุกข์ในเรื่องของจิตที่ค้อยตามอารมณ์เนี่ยผิดทําลายความเห็นผิดในกายเราจะทําลายดได้ก็ต่อเมื่อฟังให้ดีนะก็ต่อเมื่อจิตเราได้เห็นอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในภายในนั้นที่เราไม่เป็นไปตามอาการของมันนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปหมายถึงว่าสิ่งที่เราจะต้องเห็นนั้นมีอยู่3สิ่ง1อารมณ์2ความอยาก3จิต สสิ่งนี้พราะสามสามสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นพร้อมกันตั้งอยู่พร้อมกันแล้วก็ดับลงไปพร้อมกันอารมณ์ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอารมณ์ต่อเนี้ยสิ่งที่เห็นเรียกว่ารูปารมณ์คืออารมณ์อันเป็นรูปพอใจไม่พอใจรูปที่รักรูปที่ไม่ชอบอ่ารูปที่รักที่ชังที่ชอบที่ไม่ชอบอย่างเงี้ยสิ่งที่ผ่านเข้ามาในหูเรียกว่าสัารมณ์อารมณ์คือเสียงเสียงคือลมอารมณ์คือเสียงเสียงที่ชอบใจไม่ชอบใจสิ่งที่ผ่านเข้ามาในจมูกเรียกว่า ท, ทานพาลมอารมณ์คือกินสิ่งที่ผ่านเข้ามาในลิ้นเรียกว่าระสารมอารมณ์คือรสชาติสิ่งที่ผ่านเข้ามากระทบกายเรียกว่าผดทับพารม์อารมณ์คือการเข้ามาสัมผัสถูกต้องถูกต้องกายสัมผัสกายอย่างเงี้ยกระทบกายอารมณ์อันเป็นที่น่าปาัญญารักใครไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจดับไปมันก็จะเป็นกรารตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาในตนในจิตในเวลานั้นกรารคืออยากให้สิ่งที่น่ารักใครคงอยู่ ภวตันหาคืออยากให้สิ่งที่น่ารักให้นี้คงอยู่ยิ่งขึ้นไปคือไม่อยากให้เสื่อมคลายวิภาวะตันหาคืออยากให้สิ่งที่น่ารักให้นี้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปวิเศษขึ้นไปอีกวิภาว ะ, ะมันมันเป็นพบในจนิตอะภาวะเป็นพบที่พิเศษปราฐานะพที่พิเศษขึ้นไปอีกทําไมผู้เจ้าชุมใช้คําว่าวิภาวะเพราะว่า อาการแห่งตันหาเกิดขึ้นในใจเรามันมันปอพบอันแรกก็ก่อนในกามตันหาพบในกามแต่ไม่ได้เรียกว่ากามมาพบแต่เรียกว่ากามมาตันหาแต่ก็คือพบอกุศลธรรมบางสิ่งบางอย่างเข้ามาปรุงแต่งใจเมื่อจิตกระทบกับอะไรก็ตามที่มันไม่ไดีนำกุศลบางสิ่งบางอย่างเข้ามาปรุงแต่งใจนึกถึงแต่สิ่งที่เป็นกุศลก็เป็นภาวะตันหาคือพบในสิ่งที่เป็นตันหาในพบที่สูงกว่า สูงขึ้นเป็นพ่อตันหาไปพบที่สูงขึ้นสูงกว่ากรามแล้วก็บุคคลลังเกียบนะลังเกียดว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีจิตนี่เองนะทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีจิตเอ า, อางี้กันเดี๋ยวอธิบา ย, ยางี้กุส่วรละทำบางอย่างอันเป็นไปเพื่อปกป้องตัวเราให้ไม่ให้มีความทุกข์ ในขณะที่จิตรับกระทบอารมณ์เนี่ยกุศลธรรมอันนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ทานหรือรักษาศีลเนี่ยมันเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสวรรค์คือการบาเพ็ญจิตของฤาษีดับบทแต่ครั้งพุทธการครั้งก่อนพุทธการด้วยแล้วอีกมีกลุ่มหนึ่งลังเกียจอยู่ว่าเป็นพอมีกายนี่เองจึงมีความทุกข์จึงเพ่งกายให้ดับคือเพ่งการยึดถือในกายจนดับจนไม่มีการยึดถือในกาย ปาสจากการยึดถือในกายตัดการรับรู้ในเรื่องของกายอยู่แต่กับจิตแล้วก็จะถวายความสุขอยู่ในจิตในเรื่องของนา ม, มาธรรมคืออากาสารานญายยตนะอากินจัญญาญตนะวิญญาณานญายยตนะเนวสัญญาณนาะสัญญาญตนะตรงเนี้เมื่อเข้าไปถึงนามตัวนี้ได้ก็อยู่กับนามทีนี้ก็มีความสุขอยู่ในนามก็เป็นวิภาวะตัณหาพบที่พิเศษขึ้นแต่เขาไม่รู้ว่านั่นคือพบที่พิเศษเขาจึงติดอยู่ในพบอย่างนั้นทีนี้ในระดับของพวกเราเนี่ย มันไม่ถึงขั้นทาฌานแต่การพบอารมณ์พบการพบการมากามตัญหาภวะตัญหาวิภาวะตัญหาก็เกิดตามหรือไม่ทําการตอบสนองมันก็ตามให้เห็นการดับของตัญหาที่เกิดตัญหาใดก็ตามเกิดขึ้นมาได้รับการตอบสนองแล้วเราเห็นการดับของมันตัญหาที่ได้รับการตอบสนองดับไปแล้วจะไม่สั่งสมเป็นภพจะไม่มีการตัญหาภวะตัญหาวิภาวะตัญหาอยู่ในนั้นตัญหาใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้รับการตอบสนอง แล้วเราก็กำหนดรู้จนเห็นอาการที่ไม่ได้รับการตอบสนองของตันหานั้นดับด้วยตัวของตันหาเองหมายถึงว่าเมื่อตันหาไม่ได้รับการตอบสนองมันก็จะไม่มีอาหารในตัวมันก็จะดับดับเชื้อในตัวของมันก็ไม่เป็นการตันหาเพราะว่าตันหาวิ่งเพะตันหาปัญหามันอยู่ที่ว่าจะได้รับการตอบสนองก็ตามหรือไม่ได้รับการตอบสนองก็ตามหากหากเราไม่เห็นการเกิดของตันหาที่แทรกเข้ามาพร้อมกับที่จิตกระทบกับอารมณ์นั้นตันหานี้ก็จะเป็นการตันหาเพราะว่าตันหาและพิพัฒตันหาในใจเรา เราก็จะไม่มีทางหลุดพ้นออกไปจากกองทุกได้ทุกอันเป็นตัวกายกับจิตก็ยังคงอยู่อารมณ์ก็เป็นตัวทุกไอตัวตันหานตัวเชื้อตันหานี้ทุกที่มีอยู่ตามธรรมดากระทบกันเข้าระดับกระทบกันเข้าระดับกระทบกันเข้าระดับมันก็ดับอยู่ตรงนั้นมันไม่สืบต่อแล้วเราก็จะไม่ได้ทุกกับความทุกข์ที่กระทบกันนั้นสืบต่อในใจเราไม่ข้ามวันข้ามคืนดับก็คือดับอยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามันมีตันหาแล้วมันจะด้วงเหนียวเอาอารมณ์เอาความอยากความอยากนี่แหละ มันจะยึดถือไว้เมื่ออยากย่อมยึดยึดถือไว้อุปทานไว้ในใจเรื่องบางเรื่องดับไปแล้วลักไปแล้วล่วงไปแล้วแต่เรายังยึดถือเรื่องนั้นอยู่ปรุงแต่งต่อได้อีกอาการยึดถือนะ่ะปรุงแต่งเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยปรุงแต่งไปอีกปรุงแต่งแล้วดับไปผ่านไปล่วงไปแต่ยังยึดถืออยู่เรื่องใดก็าตามที่ยึดถืออยู่เรื่องที่ยึดถืออยู่ยังเป็นเชื้อในการปรุงแต่งได้อีกไม่หมดเป็นการตันหาอยู่ในนั้นเป็นภาวะตันหาอยู่ในนั้นเป็นวิภาวะตันหาอยู่ในนั้นได้ เมื่อดับตันหาได้เห็นตันหาเกิดตันหาดับคนที่ชั้นระดับชาวบ้านเป็นตันหาที่ยังต้องได้รับการตอบสนองอยู่แต่จะได้รับการตอบสนองยังไงก็ตามให้เห็นการดับของตันหาเราจะได้รู้ว่าอ๋อตันหาได้รับการตอบสนองแล้วมันดับไปแต่มันทิ้งความทุกข์ให้กับเราผู้ที่ทําการตอบสนองมันเนี่ยเพราะในขณะที่เราทําการตอบสนองจังหวะที่ตันหามันเกิดขึ้นแล้วบีบคั้นให้ใจเรา ไม่ได <Workers, S 2> ้รับการตอบสนองเวลาไม่ได้รับการตอบสนองจะทุกข์ในเวลานั้นพอทุกข์ในเวลานั้นเวลาตัณหาดับก็ดับในเวลานั้นคือมันจะดับหรือมันเห็นกันดับเลยในเวลานั้นหากเห็นนะหากไม่เห็นก็มีไม่มีประโยชน์คือมีเท่ากับคนที่ได้รับการตอบสนองเท่ากันคือยังสืบต่ออยู่เพราะนั้นการเห็นยังเป็นสิ่งที่มีความสาคัญนะคนที่เห็นว่าเมื่อเราทาตามมนัสแห่งตัณหาอยู่เบย์ย์นะ แล้วเมื่อตัญหาดับแต่มันทิ้งความทุกข์ไว้ให้เราทิ้งปัญหาจากการที่เราทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ไว้ในการเลี้ยงดูร่างกายเนี่ยแล้วเราต้องตามแก้ปัญหาต่างๆแต่ตัญหามันสนองมาแล้วมันก็ดับสนองมันแล้วก็ดับสนองมันแล้วก็ดับอย่างเงี้ยมันไม่เคยรับผิดชอบในเรื่องเรื่องที่เราพยายามทําเพื่อมันเลยเราก็จะรู้ว่าโอ้ทําตามรั่นแห่งปัญหามีทุกข์เราเป็นทาสของตัญหาเนี่ยจะเกิดปัญญาขึ้นมาพรอมเกิดปัญญาขึ้นมาว่าเราเป็นทาสของตัญหามันก็จะเริ่ม เห็นตัณหาเป็นภัยแล้วทีนี้มันก็จะมีแรงต้านที่เราเริ่มปฏิบัติกับตัวตัณหาเริ่มปฏิบัติกับตัวตัเองเอาเองเริ่มขัดใจตัวเองเองทีนี้ไม่ทําตามใจตัวเองธรรมชาชอบคําหนึ่งที่ิยมเขาเขาเขาาพูดกับอัตมานะพิยมคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์นี่แหละเาพูดยอมขัดใจตัวเองดีกว่าขัดใจคนอื่นอันเนี้ชอบมากเพราะอะไรมันได้ขัดใจตัวเราเข้าใจไหมได้ขัดใจตัวเองได้ขัดใจคือขัดความที่ที่ตั้งมั่นอยู่ดับไม่ได้ มันอันได้แค่กั้นหรือว่าสงบใจในช่วระยะเวลาหนึ่งแต่การที่จะทําให้พ้นนั้นจะต้องใช้ปัญญาในการไค้ควรเราจะต้องเห็นตัณหาแล้วก็รังเกียจตัณหาได้อย่างสุดขีดคือรังเกียจนี้ไม่ใช่รังเกียจ ด, ด้วยอํานาจของปฏิฆะนะรังเกียจคือเห็นมันเป็นโทษเป็นภัยนะเมื่อเห็นเป็นโทษเป็นภัยว่าพอเราทำตามารณะแห่งตัณหานี่นะมันจึงให้ทุกข์กับเราอยู่ไม่หยุดไม่ย่อนมันจะเริ่มคลายได้นี่ คายจากการอยากที่จะทําตามนทาแห่งตัณหาเมื่อคลายมากเข้ามากเข้ามากเข้ามันจะเห็นแค่ตัญหาเกิดระดับตัณหาเกิดระดับตัณหาเกิดระดับดังนี้แล้วตัณหาก็ไม่มีอนุภาพมากมันก็จะผูกละละละละการเห็นอาการดับของตัณหานั่ยนะคือการทําการละตัณหาอยู่ในขณะนั้นมรูปพูดอย่างนี้จะเข้าใจไหมจากนั้นมันจะเบื่อในในรูปรูปตัณหาตัณหาในรูปสัทวาตัณหาตัณหาในเสียง ทัตัณหาตัณหาในกินระสะตัณหาตัณหาในรสโหดพภะตัณหาตัณหาในการสัมผัสแล้วก็ธรรมตัณหาตัณหาในอารมณ์ในธรรมารมณ์ในอารมณ์ที่ผ่านเข้ามามันก็จะละตัณหาตัณหาเมื่อถูกละอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผ่านวันผ่านคืนผ่านเดือนผ่านปีปีสิปียีปี30ปี50ปีมันต้องมีมันก็จบในตัวของมันเนี่แหละวิธีการที่จะทําให้หลุดพ้น จะทำได้ไหมคนเทศเทศไปแล้วนะนี่คนทำถามมาแล้วต้องทำนะถ้าถามมาแล้วไม่ไปทําอย่ามาถามกันอีกนะเสียเสียเสียคาพูดที่พูดออกไป <c oughs> ไปทาเด้อใช้เดชอินเตร์นยมแก้วใช้เดชอินเทร์นิยมแก้ว ทีนี้คําถามจากนาลาชินตินถามว่าเวลาโกรธเวลารักเวลาหลงมีโทษอย่างไรเนาะโกรธมีโทษอย่างไรโกรธมีโทษอย่างไรหรือไม่เห็นโทษความโกรธแล้วฮะ มันเผาไหม้ตัวมันเองผู้ที่โกรธสิ่งที่โกรธหรืออารมณ์ที่โกรธเกิดขึ้นที่ไหนก็จะเผาไหม้ตัวของมันเองแล้วเราได้เห็นอาการของการเผาไหม้ไหมหหแล้วทําไมบางคนยังพอใจที่จะโกรธอยู่ทั้งๆที่รู้ว่ามันเผาไหม้การที่อารมณ์ความเผาไหม้สิ่งที่ถูกเผาไหม้เช่นใจเราถูกเผาไหม้เราอยากจะให้มันเผาไหม้ยิ่งๆขึ้นไปหรืออยากจะดับ แล้วอยากจะดับมันทํำยังไงรีบเข้าไปดับมันเลยเหร อ, อ ว, วิธีฮะวิธีการที่จะดับความโกรธทำยังไงไม่เติมเชื้อใช่ไหมเพราะมันจะไม่ได้เพราะมันมีเชื้อใช่ไหมเชื้อของมันคืออะไรความขัดใจความไม่พอใจความมุ่งร้ายประสงค์ร้ายความขัดแยง้งความ อะไรต่างๆนี่มาประเภทนี้แหละเชื้อของมันการโกตตปก็เป็นเชื้อของมันไม่เติมเชื้อพอไม่เติมเชื้อหากมันมีเชื้ออยู่แค่นี้เราไม่เติมเชื้อเพิ่มมันไม่หมดมันจะไหม้ไปได้อีกไหมมันไม่ลามมาถึงสุดบมดแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นขี้เท่าหมดแล้วไม่มาบมดเนี่ยส่วนนี้เป็นขี้เท่าหมดมาถึงสุดนี้มันยังจะไหม้ต่อไปอีกได้ไหมถ้าไม่มีเชื้อมันก็ดับใช่ไหมเมื่อมันดับแล้วมันก็ดับ แต่ที่มันมีอยู่ในใจเราอยู่ตลอดเพราะอะไรเติมเชื้อเ <c oughs> ติมเติมเชื้อเข้าไปจนไม่รู้ตัวว่าเติมเชื้ออะไรเข้าไปมากนะ <c oughs> ทมามีโทษอย่างไรความโกรธความโกรธมีโทษมากหนึ่งขาดสติทําให้กระทําสิ่งต่างๆลงไปด้วยความผุนผนันตัดสินเรื่องราวเหตุการณ์บางอย่างด้วยความ เขาเรียกด้วยจิตใจที่กิดไปหมดเลยคนที่มีความโกรธเป็นที่ไม่เป็นที่รักของคนเป็นที่ชอบใจของคนไหมไ ม, ไม่ไม่มีใครชอบใจตนเองชอบใจตัวเองไหมเวลาโกรธชอบเองทำไมชอบจะโกรธได้ยังไงบางคนก็บอกไอ้บางคนโกรธนี่ตนเองไม่มีเหตุผลเลยเกิดในการที่โกรธคนอื่นนี่ม่รู้เหตุผลมาจากไหนหาเหตุผลในการที่จะโกรธคนอื่นได้ดีมากเลยก็มีนะโกรธเนี่ย ตนเองมีความสุไมขไหมขณะที่โกรธไ ม, ไม่แต่ก็สุขมงคนพอใจที่จะโกรธก็มีมีเทพตนหนึง่งเขาเป็นคนที่พอใจในความโกรธเอไ ม, ม่ใช่เทพอสูรเป็นคนที่มีความพอใจในความโกรธหากใครไปด่าเขาเขาจะชอบมากรัศมีร่างกายจะพองใสขึ้นเลยจ้าเกไปจุติ เอาจริงๆคนไหนก็ตามมีความโกรธเราพูดหวานหวานกับเขานะพูดหวานหวานกับเขาความโกรธไม่รู้มันหายไปไหนเอาจริงๆิ้หรืออย่างงี้ก็ได้เราความเรามีความโกรธเองก็ตามเวลาเรามีความโกรธเต็มที่นะเราพูดคำหวานหวานกับคนพูดก็เรียกว่าลดเสียงเสียงที่มันเป็นเป็นเสียงแห่ง แรงความโกรธ ล, ลดลงแล้วก็พูดหวานๆอย่าพูดกระทบกระแทกกระทั่งพูดประชดพูดประชันพูดอะไรเงี้ยอันนั้นตัดทิ้งให้หมดลองพูดกันหวานเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตของเราเอารมณ์แห่งความโกรธมันสมมงบระงับได้อย่างน่าอาัศาจรรย์จริงๆและโทษของความโกรธเวลาตายในรางที่โกรธไปสู่สุคติหรือทุคติทุค ต, ติมีอะไรบ้างหนึ่งกเนิดสัตว์ประชันสองเปรต พ, พ, พี่ชาติสุรไกาย3มนรก สี่ฮะเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์แบบไหนขี้เละเขาว่าเป็นคนขี้เขี้เละนะคนขี้โกรธนี่คือโทษของความโกรธแล้วโทษของความรักล่ะมีโทษอย่างไรเคยได้ยินว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ไหมใกลมีความกังวลห่วงใยไหมก็กังวลห่วงใยใช่ไหมกังกังวลห่วงใยมีความสุขไหมไม่สุขอะ่ะมันก็ทุกข์อ่ะ อยู่ยังไงนาะจะทํำยัำยงไงนาะคิดไปอยู่นั่นแหละนัคือโทษของความรักว่าจริงๆมันมีหลากหลายอย่างนะทําไมมันมีออกเวลามีความรักต่อกันคิดถึงกันอาการที่คิดถึงคิดถึงด้วยความความทุกข์อยู่นะใช่ไหมอยากเห็นหน้าอยากพูดคุยอะไรแบบนี้ก็มีความทุกข์มีอะไรอีก อันนั้นเอาแล้วผมาทํำลายคนที่รักเอาแล้วอะไรอีกโทษทุกความรักแต่ยังไงก็ตามรักขอให้รักแบบมีสติจะได้ไม่ต้องทุกข์มากเวลาหลงมีโทษอย่างไรหลงคือหลงยึดกลายเป็นเราเราเป็นกายจิตเป็นเราเราเป็นจิตหลงยึดในตัวเองทั้งหมดในตัวตน คือหลงการหลงยึดว่าเราเป็นกายกายเป็นเราก็ต้องหลงยึดในคนอื่นว่าคนอื่นเป็นเป็นเขาเป็นบุคคลเป็นตัวตนเมื่อมีความหลงก็ย่อมมีความรักเมื่อมีความรักก็ย่อมมีความโกรธนะมันจะตามมาเมื่อมีหลงก็ต้องมีรักมีโกรธมีร่วบมีโกรธมีหลงคือวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเพราะหลงนั่นเองจึงเกิดรักและเกิดโกรธขึ้นมาเกิดเกลียดที่ดีทําเพราะบุญนั้นคือสิ่งที่ดีจึงทําแต่ไม่ได้ทําด้วยการยึดในความเห็นว่า เราจะทำบุญเพราะเราต้องการความดีเราต้องการบุญอย่างเงี้ยคือความหลงเพราะบุญนั้นสร้างกายอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราได้อยู่เรายึดถืออยู่ก็คือหลงนั่นเองนี่แหละคร่าวๆอย่างเงี้ยถ้าใครคิดได้มากกว่านี้ก็ยิ่งดีเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงได้ยิ่งคิดเห็นโทษมันได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีมากเท่านั้นเพราะเราจะได้รู้โทษโ ด, โดยความเป็นโทษ แล้วเราก็จะไม่ทําตามอนาจแห่งความรักความโกรธความหลงก็จะมีวิธีแก้แตามหลักพุทศาสนาถามว่าการเข้าปริวาสคืออะไรครับการเข้าปริวาสปริวาสแปลว่าอยู่รอบหรืออยู่ในที่ขอบเขตจํากัดหรือเรียกว่าอยู่ในที่ที่ต้องกักบริเวณ นะเป็นการลงโทษอย่างสิบเมื่อละเมิดโทษนั้นจะไม่ได้รับการกราบไหว้อัญเชลีกราบไหว้ไม่ได้รับการต้อนรับไม่ได้รับการ เ, าเขาเรียกว่าให้การดูแลให้พัะตาหารที่ดีอันเลแก่บุคคลผู้มีโทษนั้นแม้จะมีพรรษาที่ห0าสพรรษาเยอะก็ตามเป็นมหาเถระก็ตามให้ไปนั่งคายแถวสุดต่อจากพิสูผู้บวชใหม่ในวันนั้น เขาเรียกว่าลดลดเขาเรียกว่าอะไรนะลดลำดับลงใช่ไหมลดคุณค่าลงลดความสำคัญแม้จะเป็นพระเถระผู้อยู่ลาตีนานก็ตามลดความสำคัญลงไม่ให้ความสำคัญไปอยู่ท้ายแถวรับอาหารอั น, อนเร็วที่สุด อ, อันสุดท้ายที่สุดสาหรับมูพิษูุนั่นแหละคือเรีกวปริวาสหรือคนทุกวันนี้นำมาใช้ ในภาษาที่เข้าใจกันว่าอยู่กรรมไปได้ยินยไหแต่ปริวาสอันเป็นตัวบทลงโทษพระภิกษุนี้ที่สมกำหนดการลงโทษปริวาสถูกนำมาใช้ในเรื่องของการอยู่กรรมและการอยู่กรรมนำมาเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของการเป็นการพาภิกษุ ป, ประกาศหรือแจ้งออกจากอาวาสใดอาวาสหนึ่งถือว่าภิกษุผู้นั้นประกาศ หรือว่าจเจ้าอาวาสผู้นั้นอมอบกรรมสิทธิ์ให้มีการประกาศอยู่หน้าวัดว่าทางวัดจะจัดงานปริวัดกี่วันกี่วันขึ้นมาส่วนมาก7วัน6วัน7วันนี่แหละโดยกําหนดจัดขึ้นมาแล้วอาวาสผู้สั่งให้ประกาศออกไปนั้นเท่ากับว่าเป็นการประกาศโทษของภิกษสูผู้อยู่ปริวัดนั้นให้เป็นที่แพร้หลายต่อชนผู้เย่าบอกว่ า, วา ภิกษุใดก็ตามบอกโทษของภิกษุผู้อยู่ปริวาสแกยย่โยตยญาดโยมภิกษุนั้นมีโทษตามพระวินัยอีกไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นงานปริวาสที่เข้าใจว่าเป็นงานบุญนั้นขอให้เข้าใจว่ามันบาปตั้งแต่เริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มประกาศงานปริวาสเนี่ยปริวาสมันเป็นอย่างนี้อย่างที่ว่านี้ไม่เชื่อก็ไปอ่านดูในพระไตรปิฎก บาคนพระไตรปิฎกอ่านยากก็ไปนค้นหาใน Google ว่าการอยู่ปริวัติเป็นอย่างไรอันที่จัดงานทุกวันนี้มันไม่ถูกต้องงานปริวตัติปริวัติสก ร, รมอะที่เรียกว่าอยู่ก ร, รมนะผิดหากยังจัดกันอยู่ก็ให้รู้ว่าเป็นงานบาปมันจะเป็นงานบาปได้ยังไงพระ อ, อาจารย์เขาจัดมาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยกี่รุ่นกี่ศตวรรษแล้ว าอาจารย์อะไรมาพูดขัดกับเขาอยู่ในเวลานี้มันคนละมันคนละเรื่องกันแล้วกับสิ่งที่พระอาจารย์พูดอาตมาพูดเองไหมหรือว่าพระพุทธเจ้าพูดไว้ในเรื่องของงานปริวาฒกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ใช่ไหมไม่ได้พูดเองทําไม่ขัดเขาถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นให้ขัดขัดคือขัดกับธรรมวินยัยแต่ไม่ขัดกับประเพณีนินยมและขานิยมและอีกยา่างหนึ่งเขาถือว่า ชนหมู่มากเขามีคนหมู่มากก็ถึงว่ า, าล้นรกมันก็ไม่หมดสักทีสัตว์เดรัจฉานก็ยังมีให้เห็นกันอยู่ไม่หมดสักทีและมีสัตว์เชื้อชันแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาเยอะหน้าตาแปลกๆก็เยอะอยนอนตัวนี้ก็เพิ่งจะเคยเห็นเนี่ยประเภทเนี้ยไม่รู้มาอย่างไงเกิดมากว่าสี่สิกว่าปีแล้วก็เพิ่งจะเห็นนอนประเภทเนี้ปเป็ดทีปีศาสก็มากใหม่มันเปลี่ยนไม่ได้ ความเห็นขัดแย้งความเห็นผิดอย่างเนี้ยมันติดไปแม้กระทั่งตายไปแล้วเป็นเปนรตผีปีศาจก็ยังมีความเห็นผิดอยู่นะมันไม่ใช่ว่ามันจะหมดตายแล้วหมดหมดกันไม่ใช่นะคำพบคำชาติไปเลยนะเดึงความผิดหากเราเรียนถูกและเข้าใจถูกตั้งแต่แรกคำพบคำชาติก็จะนตามการปฏิบัติทีนี้แล้วมองย้อนกลับไปในบุคคลผู้ถือธรรมเนียมถือประเพณีที่ไม่ได้เอาหลักการในหลักพระไตรปิฎกหลักคําสอนมาใช้ในการปฏิบัติปฏิบัติอยู่ในชั้นแค่กิจพิธีกรรม ทำเนียมประเพณีแล้วเข้าไปถึงสัจจคของพระศาสนาแล้วยังยึดถือว่าพระศาสนานี้เป็นศาสนาของตนทั้งที่ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจสัจจะในศาสนาของตนประกาศไปทั่วโลกว่าตนเองนับถือศาสนาแล้วประเพณีอย่างนี้คือความเป็นผู้ละศาสนาโอประกาศไปได้อย่างไม่อายปากนั่นคือการแอบอ้างในการประกาศเพราะความเป็นศาสนาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในแบบวิธีอย่างนั้น จะให้ว่ายังไงเมื่อมันเป็นไปแล้วในยุคนี้ในสมัยนี้มันพอที่จะแก้กลับคืนไปสู่หลักธรรมหลักวินัยจะพัฒนาความงมงายให้ลุ่งเรืองหรือจะพัฒนาสัจจะอันเป็นตัวแก้ไขความงมงายให้หมดไปเราจะพัฒนาอันไหนจะพัฒนาสัจจะสัจจะคือเรื่องราวของศาสนานี้ให้เจริญขึ้นหรือจะพัฒนาความงม ง, งายโดยอาศัยคำ ว, ว่าศาสนาแทรกเข้าไปในความงม ง, ง, ง, งาย น, นั้นตรงเนี้ต้องคิด คิดกันสิทำไมไม่คิดกันไม่ออกหรือความคิดมีกันอยู่ทุกคนนี่หรือใครไม่มีความคิดเป็นของตัวเองความคิดคิดตามแต่ต่คนอื่นกลับมาเป็นมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วคไม่มีผลตอบสอนองในทางที่ดีก็จะปิดอันนี้ขี้เกียจพูดพูดไปแล้วมันไม่ได้รับการตอบสอนองในทางที่ดีก็จะยุติมันพูดอะไรกับใครไม่ได้แล้วทั้วนี่ยคือถ้าจะได้พูดก็ให้พูดในสิ่งที่มัน เป็นประโยชน์กับคนบ้างไม่ใช่พูดเอออันไปตามกระแสโลกกันไปทั้งหมดให้มันเป็นประโยชน์ต่อคนบ้างเป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้างให้สังคมได้ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เป็นเรื่องของความจริงบ้างไม่ใช่ได้ยินแต่สิ่งที่กรอกหูซะจนเชื่อว่าเป็นจริงอย่างนั้นคือหมายถึงว่าได้ยินอันที่ผิดน่ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจงเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงอันอื่นผิดทีนี้ อ, อันที่อาตมาบอกไปในเรื่องของความจริงที่จริงเนี่ยมันผิดทีนี่ในความเห็นทังคนที่ถูกกรอกหูมาตั้งแต่ยุคสมัยที่เป็นประเพณีเริเ่มเริ่มมีมาฝังมาฝังมาฝังมาฝังนะฝัง ม, มันแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นแบบแน่นแน่นมากเสาเขื่อนที่ฝังดินดีแล้วแต่เป็นเสาเขื่อนในลัานของความงมงายไม่ใช่เสาเขื่อนในเรื่องของสัตวจัดไม่ใช่เขื่อนของสัต จ, จัดไม่ใช่เสาศิลาแบบสัต จ, จั แต่เป็นเสาศิลาแห่งความงมงายที่ฝังแน่นในใจผลไม่โยครนมันหนามากชั้นของความงมงายมันเกาะกลุ่มจิตมาเนี่ยแต่แต่มีวัตตจักมาแล้วมันมีความงมงายเคลือบเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นผ่านพบผ่านชาติผ่านพบผ่านชาติผ่านพบผ่านชาติมาความงมงายเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นหนาขึ้นมาเตะขึ้นมาเลยทีนี้อะไรที่เป็นความงมงายมันจะรับได้อย่างทันทีเลยนะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องวินิจฉัยมากไม่ต้องพิจารณามากเป็นความงมงายรับกันไม่เด่นสนิท เข้ากันได้ดีแต่อะไรที่เป็นความจริงเป็นสัจจะมันคิดอยู่นั่นนะเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่วะนี่ถูกหรือไม่ถูกวะเอ๊ะนี่เพี้ยนหรือเปล่าวะอันอันนั้ น, อ, น, น, นอะไรเอาเงินไปทําบุญก็ขัดกับสิ่งที่เขาทํากันอยู่ทาบุญอุทิศสุดสุศนก็ไม่ยอมกวดน้ําพุทธะก็ม่มีการไหว้พุทธก็ไก่มีการไหว้ไอ้พวกนี้มันไม่ถูกนี่หวา่าเนี้ยมันไม่เข้ากับความลงม ง, งายแต่อันไหนที่เป็นความงม ง, งายนะใครบูชาพระ องค์นี้พระอุปคุตอธิษฐานสิ่งใดจะได้สําเร็จความปรารถนา9999บาทโอโหเข้ากับความงมงายได้สนิทใจมีเงินเท่าไหร่ควักเอาไว้ใจจะเอาไปบูชาอธิษฐานสิ่งห์ใดสมความปรารธนาไอ้บ้าก็ไอ้คนทําตั้งแต่แรกทําไมมันไม่อธิษฐานเอามันไม่สร้างบูชาคนทําไมไอ้คนที่ทํามาตั้งแต่แรกนะ่ะทําทําพระองค์นี้มาบูชานะ่ะ มันทำไมไม่อธิษฐานให้ให้ให้พระเนี่ยบันดาลให้ทุกคนสำเร็จความปรารถนาไปเลยให้พระที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยใช้อิทธิฤทธิ์อนุภาพแล้วอธิษฐานว่าขอให้อุปคุตนี้บันดาลให้ทุกคนในประเทศสำเร็จตามความปรารถนาไปเลยไม่ต้องให้ใครมาบูชาพระอุปคุตนี้อธิษฐานไปเลยที่ถ้าให้ให้สาเร็จความปรารถนาทุกอย่างทาไมจะต้องเอามาให้คนบูชา999 ก้าพันกอยเ้าเหรือเป็นมือนะมีอยู่แล้วใครสามารถบูชาได้จะเป็นคนผู้มีบุญมากมีบารมีมากบ้าเอ้ยบารมีเขา ส, สร้างกันมาตั้งแต่กี่ภพกี่ชาติกว่าจะสำเร็จเขาบอกว่าอาจารย์พูดอะไรไม่ค่อยลื่นหูบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยอยู่นี่ไม่ค่อยลื่นหูก็ขออภัยนะไม่ลื่นหูใครก็ตามขัดแย้งกับใครก็ตาม ขอไปพูดไปได้ยความเป็นธรรมชาติของตัวเองนะไม่ได้ดูหมิ่นและไม่ปรมามทยใครจะพูดยังงี้กี่ครั้งกี่ครั้งมันก็พูดออกไปอย่างนั้นอ่ะคือพูดออกมาเองอ่ะนะขอให้เข้าใจว่าคิดกันให้ดีๆหน่อยอย่าให้ความงมงายที่มันเครือบอยู่ในจิตที่หนาเตะมาแล้วมีรู้กี่พบกี่ชาติน่ะมันดึงใจเราไปตามอนาจแห่งความงมงายไปมากกว่านี้เลย เอาสัจจะเข้าไปแก้บ้างให้ไปกระเทาะควา ม, มงมงายออกจากจิตบ้างนะความจริงนะ่ะความจริงฟังไปเถอะมันไม่เข้าใจในวันนี้ก็ต้องเข้าใจในวันหน้ามันไม่รู้ในวันนี้ก็ต้องรู้ในวันหน้าอย่าให้สวนทางกับหลักคําสอนพระเจ้าไปมากกว่านี้เท่าที่ผ่านมาก็เห็นสวนกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วสวนกับพระผู้ไเจ้าอยู่นั่นแหละเดินสวนทางกันกับพระผู้ธเจ้าเราจะเจอพระผู้ไเจ้าที่ไหนปวาทนาจะเจอกันที่ไหน่ะ จะไม่รายงานงานปริวาฒกรรมเป็นงานบาปไม่ใช่งานบุญเขาบอกจะบาปได้ยังไงเคยเห็นเขาไปฟังเทศฟังธรรมกันอยู่ในงานนั้นไอ้ฟังเทศฟังธรรมหากเป็นเทศธรรมจริงก็ต้องสอนให้คนได้เข้าใจว่าปริวาฒกรรมนั้นไม่ใช่งานที่จะต้องให้คนแห่แหนกันไปร่วมทําบุญอะไรกันมากมายอย่างนั้นต้องเทศให้คนได้เข้าใจว่าปริวาฒกรรมนั้นคือ การลงโทษภิกษุผู้ระเมิดโทษที่สองสงจะต้องจำกัดบริเวณต้องเทศสอศริคนอย่างนั้นและชาวบ้านไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวเป็นเรื่องของสงฆ์ล้วนๆที่จะต้องลงโทษโยมไม่ต้องมายุ่งไม่เกี่ยวกันนะไปไหนก็ไปพระจะบินอบาดชั้นในส่วนของเฉพาะพระเองเป็นโดยปกติโยมไม่ต้องมารับรู้เรื่องพวกนี้นี่อะไรเป็นรู้กันไปหมดทั้งพระทั้งโยมทั้งอะไรกัประกาศกันออกไปกันนั้งหม นะพวกสร้างรูปเขาลบเองก็เหมือนกันมันล่อลวงกันเสียมากกว่าที่จะปรารถนาดีต่อกันและกันและพระภิกษุที่บวชเข้ามาพรุทธเจ้าบอกว่ามีหน้าที่ในคันธาธุระกับพิปัสสนาธุระสองอย่างจาไว้นะภิกษุที่บวชเข้ามาธุระของภิกษุมีอยู่สองอย่างคันถาธุระวิปัสนาธุระคันถาธุระ เรียนคําสอนวิปัสสนาสุระเห็นตามคําสอนเข้าใจเรียนคําสอนแล้วให้ไปเห็นตามคําสอนเกืบคือประพฤติตามนั่นเองเรียนก่อนแล้วเห็นตามบางคนบอกไม่มีเวลาเรียนอายุขนาดนี้เรียนไม่ได้เรียนยังไงไม่ได้ก็ต้องเรียนอย่างน้อยเรียนเอาวิปัสนาไปปฏิบัติเรียนเอาคําสอนบางคําสอนเล็กๆน้อยนไม่ต้องไปเรียนทรงจําภ้นใบิดกมากเรียนเอาคําสอนบางคําสอนที่พอจะทําได้เอาไปทํา เล็ ก, ลกน้อยก็พ้นทุกได้เช่นพี่นาร่างกายเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมพี่นาร่างกายแยกในส่วนของกายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายคือรูปในส่วนของใจคือเวทนาสัญญาสังขญญารยันแยกส่วนเราเนี้ยพี่นาแยกแยกแยกแยกแค่นี้แหละไม่ต้องไปทรงจำคติปีดกมากแยกพิจารณาแยกอยู่ตลอดชีวิตมันก็จะเข้าใจสัจธรรมได้บ้างไ <c oughs> ม่เข้าใจในชาตินี้ก็เข้าใจในชาติหน้า <c oughs> บอกโอ้เอาถึงชาติหน้าเลยเหรอ ก็มันเกิดมีรู้กี่พวกกี่ชาติจะมาเอาแต่ชาตินี้ชาติเดียวเป็นไปได้ที่ไหนเล่านะให้เข้าใจอย่างนั้นเขบอกโอ้ถ้าไม่ได้ชาตินี้ชาติหน้าก็คงไม่เอาแล้วแล้วทีทําบาปทำไมไ ม, ไม่ไม่คิดทําไมไม่คิดบ้างทําบาปไม่คิดแล้วบ้างต้องข้ามพบข้ามชาติทําบาปเนะี่ย <c oughs> สิ่งที่เราทําก็ตามไปถึงพบหน้าชาติหน้าเหมือนกันหน้าบาป เอาทำไมไม่คิดว่าเออบาป ท, ที่เราทำในวันนี้จะตามไปให้ผลเราในภพหน้าชาติหน้าด้วยเราก็ไม่ทำํำงั้นก็ทําดีสิอยากได้ดีก็เรียนคําสอนได้ดีแน่ไม่มีใครหรอกเรียนคําสอนแล้วถึงความชิบหายล่มจมไม่เคยมีขอยืนยันการที่มีเรียนคําสอนต่างหากเข้าถึงความล่มจมชิบหายแล้วก็ถึงความล่มจมแล้วในภาพภิกษุที่ไม่ได้เรียนตามคําสอน ไปเรียนคําสอนอะไรมาก็ไม่รู้ที่แทกเข้ามาวิธีการทําพระพุทธรูปวิธีการปั้มพระวิธีการหล่อเหรียญพระวิธีการทำพระพรรพรพรพผงไปเรียนมาจากไหนผู้ใหญ่สอนวิธีการไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าควรจะหามวลสารแบบนั้นแบบนี้เข้ามาทําเป็นลูกของพระพุทธองค์ขึ้นมามวลสารเหล่านี้จะมีอนุภาคในด้านพุทธภุมิผู้ใหญ่สอนไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่สอนในพระสูตรไหนสอนไว้กับพราหมณ์ผู้ใดสอนไว้ที่เมืองไหนกับใครอย่างไรพระสูตรดั้นชื่อว่าอะไร มีผู้บรรลุธรรมพอกการทำพระผงและลูกเรียนเรานั้นกี่คนไม่เคยเจอในตำหนักตำราคำพีผู้ที่เรียนจบป ร, ริญญาธรรมเก้าประโยคน์ก็ขอถามว่ามีไหมที่โอทรงบัญยับอย่างนี้ไว้ป ร, ริญญาธรรมเประโยคก็จับตะโกนมาผอไม่มีท่านไม่มีหรอกเอาไม่มีแล้วทำไมเห็นกันเกลื่อนกราดไม่สอนกันบ้างเรยไม่บอกกันบ้างเลยแที่ทำก็พิกสูงกันทั้งนั้น ก็ต้องทำตามกระแสโลกบ้างสิท่าน <c oughs> เมื่อยังต้องทำตามกระแสโลกอยู่นี่ก็ต้องพระในเมืองนี้ก็ไปมีเมียให้หมดโลกเขาพากันมีเมียมีครอบครัวเด้นะพากันมีเมียให้หมดซะ <c oughs> เอาเหลือไว้คนที่ไม่ทำตามกระแสโลกเนี่ยไว้อันคนที่อยากทำตามกระแสโลกนี่ก็ไปซะลูกมีเมียกันให้หมดเพราะโลกเขาเาเป็นอย่างงั้นไนะ ไหนๆจะทําตามก็ทําตามให้หมดไปซื้เครื่องไปที่โลกมันก็จะเจริญไปตามโลกขอให้อัตมาได้เจริญไปตามธรรมนี่เขามันก็เบื่อมันกันนะที่พูดไม่ใช่ไม่เบื่อนะเบื่อพูดออกมาด้วยความเบื่อมากๆเลยนะเบื่อเบื่อจนไม่รู้จะโอ้ยเบื่อเบื่อเบื่อที่จะต่อเด่นที่จะพูดอย่างงี้ขณะที่พูดอยู่นี่ก็เบื่อตัวเองเหมือนกันอยู่นะนี่ว่าพูดไปอะไรกันนักันนาวะนี่พูดกันมานานแล้วแล้วทำไมยังต้องพูด เอาพระธรรมวินัยนี้บอกให้พระภิกษุพูดภาษาสดาบอกให้พูดบอกให้สอนก็ไม่กล้าขัดแย้งกับคํำภาษาสดาแต่ก็จะมีอยู่วันใดวันหนึ่งที่ต้องขัดแย้งกับภาษาสดาบ้างวันไหนวันที่ขี้เกียจพูดขออนุญาตภาษาสดาแล้วข้าพงศ์ขี้เกียจแล้วพระเจ้าค่ะเอาแบบอัญญาคุณหันญะนุ่นข้าพงศ์ไม่อยากจะสอนใครพะเจ้าค่ะสอนเฉพาะปุณณมันตานีบทรูปเดียวที่เป็น ทำเขาเรียกว่าสอนพอไปเป็นพิธีนั่นแหละไม่ไม่ใช่พิธีก็บรรลุธรรมอยู่คุณนะมันตานิบุตรพระอัญญากุลัญะมีภิกษุที่เป็นลูกศิษย์อยู่ผู้เดียวคือปุณณะมันตานิบุตรแล้วพระปุณณะมันตานิบุตรก็สิ้นอาสวบกิเรตเป็นอรหันต์แล้วพระอัญญากุลัญะก็ไม่สอนใครอีกเลยขออนุญาตพระพุทธเจ้าเลยอยู่ผู้เดียวดีกว่าเพราะพระุทธเจ้าข้าอย่างนี้จากนั้นคุณณะมันตานิบุตรก็มาสอนพระอานุ์พระอานุ์ก็บรรลุธรรมเป็นโสดาบันเป็นพระโสดาบัน กับพระปุณมนตานบุตรจึงเรียกพระุณมันตานบุตรว่าพระอาจารย์ใช่ใช่แต่พระอานนท์บวชกับภาษาลบุตรใช่ไหมภาษาลีบุตรเอาไปบวชหรือใครเอาไปบวชก็พระปุณเอาไปบวช แต่แต่ในท้องเรื่องเขาบอกว่าพระอานนท์เป็นลูกศิษย์ของพระปุณณมันตานิบุตรที่บรรลุโสดาบันกับพระปุณณมนตานิบุตรเรียกพระปุณณมนตานิบุตรว่าอาจารย์คือบรรลุโสดาบันจากใครเรียกผู้นั้นว่าอาจารย์นะเรียกพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระตถาคตเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาเรียกพระปุณณมนตานิบุตรว่าเป็นอาจารย์เคารพอาจารย์และแม้แต่พระอาสัพระสารีบุตรก็เคารพพระอาสัญชีว่าเป็นอาจารย์ จะมีใครก็ตามมาสอนธรรมะให้พระสารีบุตรยิ่งไปกว่านี้พระสารีบุตรก็ต้องเรียกพระอัศเชีว่าพระอาจารย์เป็นครูาบ า, บ อ, า, า, อ, า, า อ, อ, อาจารย์อยู่ที่ไหนก็กราบกราบพระอัศเชิเป็นอาจารย์อยู่เสมอพระอาจารย์อยู่ทิศไหนก็หันไปทิศนั้นแล้วกราบนะคือผู้ให้ดวงตาเห็นธรรมเรียกผู้ที่ให้ดวงตาเห็นธรรมนรั้นว่าพระอาจารย์ หมดแล้วมั่งคำถามนี่หมดแล้วก็จะพอพอก็จะยุติยุติก็ขอใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้กับญาติโยมผู้รับชมรับฟังทางเพจในวันนี้สุนทรธรรมหลังชันเช้าก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ขอให้ผู้รับชมรับฟังมีความสุขความเจริญให้ได้ประโยชน์จากการรับฟังรับชมอะไรที่มันขัด หูขาตาก็กวางอย่ายึดถือเอานะเอวังมีเท่านี้แหละมันนี้ <c oughs>